อนาปติวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัดคือ123 1. ภิกสุผู้เป็นไข่เข้าไปอยู่ 2. ภพิกษุถูกความหนาวหรือความร้อนเบียดเบียนแล้วเข้าไปอยู่ 3. ภพิกษุผู้มีเหตุขัดข้อง 4. ภพิกษุวิกลจริต 5. ภพิกูตต้นบัญญัติอนุ ป, ปะขัดแาสิกขาบทที่6จบ